พระพุทธศาสนาที่พวกเราเคารพนับถือกราบไหวบูชาถ้าจะเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนบริษัททําธุรกิจอย่างหนึ่งเพราะพระพุทธศาสนาก็มีธุรกิจที่ให้ชาวพุทธเรามากระทํากันธุรกิจของพุทธศาสนาก็มีอยู่สองธุระด้วยกัน คือหนึ่งคันธทุระสองวิปั ส, สนาทุระคำว่าคันธทุระก็แปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองทั้ น, นี้เป็นทุระที่หนึ่งสำหรับชาวพุทธเราชาวพุทธเราทุกคนควรจะรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีอะไรบ้าง พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันบ้างถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้แล้วเราถ้าเราศึกษาเราจะรู้ว่าเราต้องปฏิบัติเพราะอะไรการปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าเราไม่ได้ศึกษากัน เราก็จะไม่รู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเหมือนกับถ้าเราเป็นพนักงานบริษัทถ้าเราไม่รู้หน้าที่การงานของเราเราไม่ได้ทำหน้าที่การงานของเราที่ถูกต้องเราก็จะต้องถูกไล่ออกจากงาน หรือทำไปเขาก็จะไม่จ่ายเงินเดือนเพราะว่าไม่ได้ทำตามที่บริษัทได้กาหนดเงื่อนไขเอาไว้พวกเราชาวพุทธนี้เป็นเหมือนกับพนักงานบริษัทของพระพุทธศาสนาพวกเราจะได้รับเงินเดือนได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีบริษัทใดในโลกนี้ สามารถมอบให้กับเราได้รางวัลของพระพุทธศาสนาหรือเงินเดือนของพระพุทธศาสนาก็คือมรรคผลนิพพานที่เรียกว่าโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมนี้ต่างจากโลคิยะธรรมโลกิยะธรรมเป็นธรรมที่ยังติดอยู่ในวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด โลกุตระธรรมนี่เป็นธรรมที่ไม่ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหนือธรรมอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงเรียกว่าโลกิโลกุตระโลกิยานี้ยังอยู่ภายใต้การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเครื่องบินกับจรวด เครื่องบินที่เราขึ้นกันนี้ยังติดอยู่กับโลกนี้ไม่สามารถบินหนีออกจากโลกนี้ไปได้ถูกยังถูกแรงดึงดูดของโลกให้ตกลงมาให้ให้บินลงมาถ้าน้ํามันหมดก็ตกลงมาถ้าน้ํามันไม่หมดก็สามารถล่องลงมาได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเป็นจรวดนี่สามารถที่จะหลุดออกจาก การดึงดืดของโลกได้เช mm ่นยานอวกาศต่างๆที <t <t <t ่ส่งไปตามดาวต่างๆตามโลกตามโลกพระจันทร์โลกดาวอังคารเป็นต้นเขาต้องใช้จรวดจรวดนี้ก็เป็นเหมือนโลกุตรธรรมส่วนเครื่องบินที่เรานั่งบินกันระหว่างประเทศนี่ เราเรียกว่าโลกีธรรมยังไม่สามารถพาเราออกจากการติดอยู่กับโลกนี้ได้ถ้าเราอยากจะหลุดออกจากโลกไปสู่อีกโลกหนึ่งเราต้องมีจรวดพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับบริษัทที่ผลิตจรวดที่จะส่งพวกเราที่มาเป็นพนักงาน ให้ออกจากโลกของวัตจักคือไตรภพนี่เองวัตจักก็คือไตรภพภพสามภพที่สัตว์โลกทั้งหลายติดกันอยู่พวกเราตอนนี้ติดอยู่ในกามะภพในในระดับของมนุษย์กามะภพนี่มีหลายระดับด้วยกัน ระดับของมนุษย์นี้เรียกว่าระดับกลางๆไม่สูงไม่ต่ำอยู่กงกลางถ้าพูดว่าถ้าวัดด้วยความสุขความทุกข์ก็ 50- 50บหไม่สุขมากกว่าทุกข์ไม่ทุกข์มากกว่าสุขสลับกันไปถ้าต่ำลงไปก็เรียกว่าอบายพบอบายก็ก็จะระดับต่ำกว่ามนุษย์ เพราะอบายจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขลองเปรียบดูมนุษย์กับเดราชานเดราชาฉานี่ถือว่าอยู่ในอบายระดับต่อจากมนุษย์ก็คือเดราชาน์เดราชาฉานี่ก็มีความทุกข์มากกว่ามนุษย์เพราะเขาไม่มีที่อยู่อย่างปลอดภัยเหมือนมนุษย์และเขามักจะถูก เป็นอาหารของสัตว์ที่ใหญ่กว่านี่ความสุขความทุกข์ของเดรัจฉานก็าจะไม่มีทุกข์มากกว่าสุขของมนุษย์แล้วถ้าตาลงไป ก, ก็เป็นพวกเปรตพวกอสูรกายแล้วในที่สุดก็ลึกที่สุดก็นรกนรกนี้แทบจะหาความสุขไม่มีเลย พวกเปรตนี้เขามีความทุกข์จากความหิวโหวยแต่นานๆมีญาติพี่น้องส่งบุญไปให้เขาเขาก็ยังพอมีความสุขบ้างแต่น้อยกว่าความสุขของเดลฉานเพราะเดลฉานเขาสามารถหากินของเขาได้ทุกวันเขายังมีความสุขจากการรับประทานอาหารกินอาหาร ยังมีความสุขจากการเสพกามอยยังมีแฟนมีครอบครัวมีลูกมีเต้าพวกเปรด น, นี้ไม่มีไม่มีไม่มีความสุขแบบนี้มีแต่ความสุขที่ได้จากบุญอุทิศส่วนกุศลพวกอสุรกายนี่ไม่มีบุญเลยมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัว แล้วก็พวกนรกนี่ก็เป็นไม่มีบุญมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันนี่คือการมาพบระดับที่ต่ำที่สุดคือนรกขึ้นมาหน่อยก็อาสุรกายขึ้นมาอีกหน่อยก็เปรตขึ้นมาสูงอีกนิดก็เดละฉาน จากเดรัฉาหถึงจะขึ้นมาสู่ระดับของมนุษย์ได้มัเป็นมนุษย์ความสุขความทุกข์ประมาณห้าสิบห้าสิบมนุษย์เราสามวันดีสี่วันไข้ใช่ไหมสามวันสุขสี่วันทุกวันนี้สุขเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้องห่มร้องไห้กันอีกแล้วเดี๋ยวมาเดินนี้ก็ดีออกดีใจอ น, นี้คือระดับของมนุษย์มีมีความสามารถที่จะหาความสุข และดับความทุกข์ได้ห้าสิบห้าสิบนะส่วนถ้าสูงกว่ามนุษย์ก็เลยกเราเรียกว่าเทวดาเทวดาชั้นต่างๆมีสิบหกชั้นชั้นที่หนึ่งก็น้อยกว่าชั้นที่เทวดานี้นจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ความทุกข์นี้มีน้อยมาก แ, แล้วก็ความสุขของแต่ละดับก็มีมากน้อยต่างกัน ระดับที่หนึ่งก็น้อยกว่าระดับที่สองที่สามที่สี่ไปเพราะเหตุปัจจัยที่ทาให้ไปเป็นเทวดานี้ทำกันมากน้อยต่างกันเหมือนกับพบของอบายที่มีความทุกข์มากน้อยต่างกันก็เหตุที่ทาให้ไปเกิดนั้นคือบาปทำมากน้อยต่างกันมนีบาปหนักบาปเบา บาปหนักที่สุดเราก็เคยคงได้ยินว่ามีห้าข้อโดยกันอนันตริยกรรมบาปที่หนักที่สุดคือหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามฆ่าพระ อ, อรหันต์สี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดห้าทําให้สงแตกแยกนอันนี้เป็นบาปที่หนักมีทุกข์มีทุกข์ที่มากที่สุด ไปอบายไปนรกทันทีไม่มีการอรอลงอายาบาปแบบนี้มันมีกำลังมากมีโทษมากถ้าเป็นทางมนุษย์ก็เหมือนกับโทษประหารชีวิตนี่คื อ, อพบต่างๆในการมมาพบ นอกจากการมาพบแล้วเรายังมีรูประพบกับอรูประพบอีกด้วยที่สูงกว่าของของการมมาพบเพราะว่ารูประพบกับอรูประพบนี้เขาเสพความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามเสพกามนี่เราก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะถ้ามีร่างกายเราก็เสพรูปเสียงกลิ่นรสหยาบ ถ้าไม่มีร่างกายก็เสบรูปเสียงกลิ่นรสที่ละเอียดที่เราเรียกว่ารูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเนี่ยเช่นเวลาที่เรานอนหลับนี่เราฝันดีนี่เรากำลังเสบรูปทิพเสียงทิพกันเราไม่ได้เสบรูปหยาบเสีงยงหยาบเพราะตอนนั้นร่างกายเราพักผ่อนร่างกายเราไม่ได้ทำงานไม่ได้ลืมตาแต่ใจยังสามารถเสบรูปได้ แต่เป็นรูปทิพสียงทิพกลิ่นทิพเนะีเช่นเดียวกับคนตายเวลาคนตายไปก็จะไปเสพรูปทิพเสียงกลิ่นเสียงเสียงทิพถ้าได้ทำบุญไว้มากกว่าได้ทำบาปนะก็จะไปรับผลของบุญก่อนนะแต่ถ้าได้ทำบาปมากกว่าได้ทำบุญนะเวลาตายไปก็ต้องไปรับผลบาปก่อนที่จะไปรับผลบุญนะ ก็ไปเป็นเดลฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นนรกไปนี่คือระดับกามาพบแต่ความสุขที่เหนือกว่ากามาสุขก็มีอยู่กามสุขความสุขที่เหนือกว่ากามาสุขก็คือสันติสุขนั่นเองสันติสุขคือความสงบของใจผู้ที่จะไปสู่รูปะพบอารมะพบจึงต้องบาเพ็ญสันติธรรม สันติธรรมก็คือการออกจากออกการเสพกามเรียกว่าเนคขมมะเนคขมมะคือสันติธรรมการละเว้นจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะก็ด้วยการถือศีลแปดแล้วก็มาเจริญสติมาเจริญสมถภาวนาเพื่อทำให้ใจสงบเข้าสู่ สันติสุขคือความสงบที่เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังเนี่ยคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขของกามสุขพระพุทธเจ้าบอกสันติสุขนี่เหนือกว่ากามสุขนัตติสันติปรังสุขังสุขของกามสุขของกามนี้ไม่มีที่จะมาสูงกว่าสุขของสันติสุขได้แล้วสันติสุขนี่ก็มีสองระดับ ระดับรูปฌานกับอรูปฌานผู้ที่ได้รูปฌานก็จะไปเกิดในรูปภพนผู้ที่ได้อรูปฌานก็ไปเกิดในอรูปภพเป็นภพที่สูงกว่ารูปภพที่มีความสุขมากกว่ามีความสุขที่สูงสุดคือระดับอรูปภพอรัตนระดับอรูปฌาน แต่พบเหล่านี้เป็นพบที่ยังถูกแรงดึงดูดของวัตตจักรให้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ว่าจะพบไหนก็ตามในสามพบนี้จะต้องกลับมาที่การมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพรหมแล้วเดี๋ยวบุญที่ส่งไปเป็นรูอรูปพรหมก็เสื่อมลงก็เลื่อนลงมาสู่ระดับรูปพรหม รูปภพเนี่ากรูปภพก็ลงมาเทวภพสิบหกชั้นด้วยกันแล้วก็ลงมาสู่ระดับของมนุษย์พวกที่ลงไปใช้กรรมในอบายก็จะกลับขึ้นมาพอใช้กรรมหมดก็เหมือนคนที่ติดคุกพอพ้นโทษเขาก็ปล่อยให้กลับออกมาอยู่ในสังคมของมนุษย์ต่อไป แล้วก็กลับมาสร้างบุญสร้างกรรมสร้างบาปกันใหม่ทำบุญทำบาปกันใหม่ตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่คอยยุยงให้ไปทำบุญทำบาปให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญแล้วก็หาโดวยวิธีต่างกันไปแล้วแต่โอกาส บางทีก็หาโดยวิธีทำบาปบางทีก็หาวิธีที่ไม่ต้องทำบาปพวกที่โชคดีที่หาได้โดยวิธีไม่ทำบาป ก, ก็ถ้ามีได้มามากเกินความต้องการก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นก็ได้มีโอกาสทำบุญนี่คือทำไมเราจึงทำบุญทำบาป ก, กัน บุญนี้เราจะ ท, ทําทีหลังเพราะว่าขั้นแรกนี้เราจะต้องมีของเหลือเฟือก่อนเราถึงจะทําบุญได้ <Yeah. S 1> หรือว่าถ้าเราไม่มีของเหลือเฟือเราก็ต้องมีเวลาเหลือเฟือเวลาที่เราจะได้เอาไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น <Yeah. S 1> ก็เรียกว่าเป็นทําบุญเหมือนกัน <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่มีเงินทองเราทําบุญอย่างอื่นได้ ช่วยเหลือคนอื่นได้เป็นอาสาสมัครพ mm. อรเต็กตึงอะไรอย่างนี้ไปเก็บศพไปกู้ภัยอะไรต่างๆอันนี้ไม่ต้องไม่มีเงินแต่ก็ได้บุญบุญที่เกิดจากการรับใช้สังคมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พอเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราจะมาทำกันเพราะใจของของเรานี้มันก็อยากจะได้บุญ เพราะบุญนี้มันก็เป็นเหมือนอาหารแต่ถ้ากิเลสตัณหาความอยากที่จะได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันมีมากมันก็จะกันไม่ให้เราไปทำบุญกันมันก็จะดึงให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเช่นไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆ เราก็จะต้องหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาตอบสนองความอยากของกามที่มีอยู่ในใจของพวกเราแล้วถ้าเราหาไม่พอเราก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่เราจะจะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสตามที่ตันหาความอยากของพวกเราต้องการกันแต่ถ้าเรามีตันหาความอยากน้อย เราก็ไม่ต้องดิ้นหล่นมากการทามาหากินแบบสุดจริตก็อาจจะพอเพียงต่อการตอบสนองความอยากของเราและอาจจะมีเงินทองเหลือที่ให้เราเอาไปทำบุญทำทานได้นี่แล้วแต่กิเลตตัณหาของแต่ละของแต่ละคนว่ามีมากมีน้อย อ, อันนี้ก็จากการสะสมมาในอดีต ถ้าเคยสะสมกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยๆมันก็จะมีมากถ้ามีการลดละกิเลสตัณหามันก็จะมีน้อยอันนี้คือทำไมคนเราจึงไม่เหมือนกันก็เพราะว่าในอดีตของแต่ละคนนี้มีการกระทำที่ต่างกันบางคนทำบุญมากกว่าทำบาปบางคนทำบาปมากกว่าทำบุญ ก็เลยทำให้มีความแตกต่างกันเวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์พวกที่ทำบุญมากกว่าทำบาปก็มักจะเป็นพวกที่มีวาสนาบารมีพวกที่ทำบาปมากกว่าทำบุญก็มักจะเป็นพวกอาภัพวาสนาบารมีนี่คือเรื่องของโลกียธรรมที่พวกเราจะได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ หนทางของจิตใจของพวกเราว่ากำลังอยู่ในระดับไหนอยู่แบบไหนแล้วจะแก้หรือจะทาให้มันไปสู่โล ก, กุตละได้อย่างไรเพราะถ้าเราไม่ได้ออกไปจากโลกิยะยังอยู่โลกียะเราก็จะติดอยู่กับการเวียนว่าตายเกิดอย่างนี้ทำบุญแล้วตายไปก็ไปรับผลบุญ ในเทวโลกในพรหมโลกแล้วพอผลบุญหมดกำลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำบุญทำบาปใหม่ถ้าทำบาปตายไปก็ไปรับผลบาปในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างแล้วพอพ้นบาปพอบาปหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เราก็มาดิ้นหาความสุขจากกรม า, กามาสุกกันใหม่มาดิ้นหากามาสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันใหม่ด้วยการทำบุญบ้างด้วยการทำบาปบ้างไม่ทำบาปบ้างหรือถ้ามีโอกาส ก, าก็อาจจะได้ทำบุญบ้างชีวิตก็จะวนเวียนไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงถ้าอยากจะให้การเวียนว่าตายเกิดใน ในตายพบนี้สิ้นสุดลงเราก็ต้องรอคนที่สร้างจรวดถ้าไม่มีคนสร้างจรวดก็จะไม่มีความใครจะออกจากโลกนี้ไปได้เห็นไหมสมัยปูยาตายายเหลานี้ไม่มีมนุษย์ที่จะออกไปอยู่ในอวากาศได้แต่พอในยุคที่ที่พวกเราเป็นเด็กกันเนี่ยเมื่อสักห้าสิปีห0สิปีนี้ เขาเริ่มมีการสร้างจรวดแล้วแล้วต่อมาก็สามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปโคจร น, นอกแรงดึงดูดของโลกได้ต่อมาก็สามารถส่งให้ออกไปถึงโลกพระจันท์ได้แล่ตอนนี้กำลังวางแผนจะให้ไปถึงดาวอังคารอันนี้ก็เป็นการพัฒนาของพวกนักวิทยาศาสต ร, ร์ ถ้าไม่มีพวกนักวิทยาศาสตร์มาคน้คนวคนว้าคิดผลิตเจะาหลวัดก็จะไม่มีใครที่จะออกจากโลกนี้ไปได้เดี๋ยวนี้เรามีโอกาสแล้วเขาเริ่มมีการาประกาศรับสมัครผู้ที่ต้องการจะไปโลกดาวังคันนะใครอยากจะไปก็ไปสมัครได้อยากจะไปท่องเที่ยวอยู่อีกโลกหนึ่ง อันนี้พวกเราก็เหมือนกันพวกเรานี่ก็โชคดีที่มาเกิดในยุคที่มีคนคิดสร้างจรวดให้เราออกจากตายภกันคือโลกุธทะะธรธรรมที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนกับผู้ที่คิดค้นสร้างจรวดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งจิตใจของพวกเรา ให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของวัตจักของวัตแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัตรนี้เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาคิดสร้างจรวดคือโลกุตละธรรมนี่จะไม่มีใครสามารถหลุดออกจากวัตจักนี่ได้จะต้องติดอยู่ในวัตจักไปเรื่อยๆพระคุณของพระพุทธเจ้าจึงล้นฟ้า เหนือพระคุณของคนทั้งหมดในโลกนี้เพราะไม่มีใครที่จะสามารถทำอย่างที่พระพุทธเจ้าทำได้ไม่มีใครสามารถมอบโล ก, กุตตรธรรมให้กับพวกเราได้นอกจากพระพุทธเจ้าและตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมและพระสงฆ์นี่เองถ้าพวกเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา ก็เหมือนที่เรามาเกิดในยุคที่มีจรวดเนสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ไม่มีจรวดจะไปไหนมาไหนได้ต้องขี่ช้างขี่มา้าจะบินก็บินไม่ได้แต่พวกเรานี้อยู่ในยุ ค, ย, คยุคจรวดใช่ต่อไปสามารถบินจากเมืองหนึ่งไป เ, เมืองหนึ่งโดยใช้จรวด เร็วกว่าใช้เครื่องบินเพราะมันจะบินออกจากนอกโลกแล้วก็บินกลับเข้ามาในโลกเพราะว่าเวลาพ้นจากแรงดึงดูดของโลกแล้วเครื่องบินมันไปได้เร็วมากาสามารถไปได้อย่างรวดเร็ ว, วาจากระยะทางที่เคยใช้เวลาที่นั่งเครื่องบินสิบสองชั่วโมงนี้อาจจะแค่ชั่วโมงเดีย ว, วต่อไปจะมีจรวด เครื่องจากที่นี่ไปอเมริกานี่นั่งชั่วโมงเดียวก็เหมือนสมัยก่อนเมืองไทยเราจะไปเชียงใหม่นี้ต้องนั่งรถกันสิบสองชั่วโมงกว่าจะนั่งรถไฟสิบสองชั่วโมงกว่าจะถึงเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องบินใช่ไหมบินปั๊บเดียวชั่วโมงเดียวก็ถึงนี่พวกเราถือว่าพวกเราอยู่ในยุคทองทั้งสองสองระบบเลยระบบของทางร่างกาย ก็คือร่างกายเราตอนนี้สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกรวดเร็วทางจิตใจของเราก็มีโอกาสที่จะหลุดออกจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะตอนนี้มีจรวดที่จะพาเราไปแล้วอยู่ที่พวกเราจะไปจองตัวตต๋วกันหรือเปล่าไปตีตั๋วกันหรือเปล่ามีเงินจ่ายค่าตั๋วหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายะ การใช้จ่ายก็คือสองอย่างนี้เองต้องไปทำคันธะทุระและวิปัสนาทุระถ้าทำคันธะทุระวิปัสนาทุระได้ก็ถือว่าเราได้ตั๋วที่จะขึ้นจรวดที่จะพาให้เราออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือ เรื่องของพระพุทธศาสนาและเรื่องของพวกเราที่เรามาเคารพนับถือพระพุทธศาสนาจะมีสักกี่คนที่จะรู้จักคำว่าคันทะทุระกับวิปัสนาทุระจะมีคนสักกคนที่เป็นนับถือพระพุทธศาสนาที่จะทำหน้าที่อันนี้ได้อย่างเต็มที่และถูกต้องที่เราเรียกว่าสุปฏิปันโน ที่สามารถที่จะขึ้นจรวดขึ้นเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้มีน้อยมากเท่าที่เราเห็นกันก็บรรดาคู่บาอาจารย์ต่างๆเท่ า, านั้นเพราะเราเห็นได้จากการที่กระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุหรือได้เห็นได้จากคำสั่งคำสอนของท่าน และการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านแต่ถ้าแน่นอนกว่าก็คือดูที่พระธาตุเนี่ยพระธาตุนี้แน่นอนกว่าถ้าดูจากการสั่งการสอนอยู่การการการดำเนินชีวิตของท่านอาจจะยังไม่แน่นอนเพราะบางทีของพวกนี้อาจจะจัดฉากได้คนที่พูดเก่งๆกง็อาจจะพูดเหมือนกับว่ามีธรรมมากก็ได้ คนที่พูดไม่เก่งมีธรรมะกับกลายเป็นคนเหมือนกับไม่มีธรรมะไปคนที่พูดเก่งๆนี้ถึงแม้ไม่มีธรรมะในใจก็อาศัยธรรมะที่ไปอ่านไปท่องมาแสดงได้เพรฉะนั้นการที่จะรู้ว่าบุคคลที่ได้หลุดออกจากโลกุตออกจากโลกิยะนี้ก็ดูยากดูได้ก็เนี่ยวิธีหนึ่งก็ต้องรอให้ท่านตายไป แล้วก็ดูกระดูกว่ากลายเป็นพระาธาตุหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ยังไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซนคือคือแน่นอนว่าถ้ากายเป็นพระาธาตุนี้ท่านได้หลุดไปแล้วแต่บางท่านที่หลุดแต่ไม่กลายเป็นพระาธาตุก็มีเพราะอะไรขึ้นอยู่กับเวลาที่ท่านได้บรรลุ ถ, ถึงพระ น, นิพพานและถึงเวลาที่ท่านตายว่ามีเวลานา น, านหรือไม่านาน อย่างพระพุทธเจ้านี่ตัดสรู้อายุสามสิบห้าถึงพระนิพพานตั้งแต่อายุสามสิบห้าแต่ไปตายอีกต้องสี่สิบห้าปีถ้ามีเวลาอยู่นานหลังจากที่ได้บรรลุถึงนิพพานแล้วนี้จะมีโอกาสที่จะฟอกธาตุให้กายฟอกกระดูกให้เป็นพระธาตุได้สูงจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละเป็นผู้ที่ฟอกกระดูกให้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมา ถ้าอยู่นานๆหลังจากที่ได้ตัดสรุแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้ถึงนิพพานแล้วเกระดูกมักจะกลายเป็นพระาธาตุกันแต่พวกที่เกิดบรรลุธรรมปั๊บแล้วก็ตายไปในระยะเวลาอันสั้นเช่นสามเดือนหกเดือนหรือปีสองปีนี่โอกาสที่จะฟอกาธาตุให้มันสาเป็นพระาธาตุฟอกกระดูกให้เป็นพระาธาตุมันเวลามันอาจจะไม่พอก็ได้ อย่างนั้นก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะวัดพาาระอรหันต์ได้จากพระาธาตุเพียงอย่างเดียวคนที่ตายพระหลานที่ตายไปแต่ไม่มีเวลาฟอกกระดูกก็มีก็กระดูกทกี่ก็อาจจะไม่กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาก็ได้ก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งเท่านั้นถึงจะรู้ก็คือต้องไปศึกษาจากท่านแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสั่งท่านสอน เราติดขัดตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนเราไปถามท่านแล้วท่านเปิดทางให้เราได้ทุกขั้นทุกตอนจนถึงขั้นที่เราหลุดพ้นได้ได้เนี่ยเราถึงจะมีความมั่นใจว่าท่านก็ต้อง เ, ออเป็นพระอารหรันต์เพราะท่านสอนให้เราปฏิบัติจนเรากลายเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาได้เน <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดเชื่อว่า คำสอนของท่านนี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยาเหมือนกับนักศึกษาที่เป็นศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆครูบาอาจารย์ถ้าไม่ได้จบมีความรู้สูงกว่าระดับที่ไปสอนนี้จะสอนไม่ได้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ที่สอนกว่าระดับที่นักเรียนเรียนอยู่ถึงจะสามารถสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำอันนี้ก็เป็น เรื่องของโลกุตตะระมร์เรื่องของมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานก็มีอยู่สี่ระดับนะมรรคผลนี้เป็นคู่กันเหมือนกับการปลูกต้นไม้กับการรอเก็บผลการปลูกต้นไม้นี้เราเรียกว่ามรรคก่อนที่เราจะมีผ ล, ลไม้ออกมาได้เราต้องปลูกต้นไม้ก่อนถ้าอยากจะได้ผลได้กล้วยเราก็ต้อง ไปหาต้นกล้วยมาปลูกกัอนถ้าเราไม่ปลูกต้นกล้วยนี้มันก็จะไม่มีกล้วยออกมานั่นเองอันนี้ก็เหมือนกนารมรรคกับผลก็เป็นอย่างนั้นการที่เราจะได้ผลของโลกุตตะธรรมที่มีอยู่สีขั้นคือขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์เราก็ต้องปลูกต้นของพระโสดาบันก่อน คือเหตุที่จะทำให้เป็นพระโสดาบันเราก็เรียกว่ามัง <c oughs> เหตุที่จะทาให้เป็นพระโสดาบันได้ก็คือต้องมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่ตั้งมัน่นเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็มีปัญญาระดับขันห้ารู้ทันขันห้ารู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเรา ถ้ามีมากอย่างนี้ก็สามารถที่จะได้มีผลคือโสดาปฏิผลคือบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ต้องปล่อยวางขันห้าได้เช่นร่างกายต้องปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เหมือนกับเราเห็นคนอื่นแก่คนอื่นเจ็บคนอื่นตายนี้เราไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมฉั้นใดเราก็ต้องเห็นร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นของเราว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเราต้องปล่อยมันได้ปล่อยมันให้แก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับมันไม่หวาดกลัวไปกับมัน ưởng, <ๆ>ก็จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันไดน นี่คือขั้นมรรคผลของพระโสดาบันมรรคผลของพระสกิดาคามีก็ก็มีเหมือนกันต่างกับพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีนี้มีผลเหมือนกันคือต้องการดุดออกจากกามไม่อยากจะเสพกามอีกต่อไปไม่อยากจะมีแฟนไม่อยากจะมีอะไระการที่จะละกา ม, มาราคาได้เนี่ ก็ต้องเจริญมรรคมรรคก็คือต้องปลูกต้นอสุภะต้องพิจารณาอสุภะพิจารณาความไม่สวยไม่งามต่างๆของร่างกายจนเห็นแล้วเกิดความขยะขยงแทนที่จะเกิดความหลงหลข้างใครพอเห็นร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนทุกอาการเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างใน เห็นทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่เห็นทั้งขณะที่ตายไปถ้าเห็นแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาละกามราคะได้สำหรับพระสกิดาคามีก็ละได้ครึ่งหนึ่งเกิดละแบบบางทีถ้ามีเห็นอสุภะก็ละได้ถ้าไม่เห็นอสุภะก็ยังหลงอยู่หรือยังติดอยู่ ก็แบบห้าสิบห้าสิบเขาเรียกว่าทําให้กามราคะเบาบางลงส่วนพระอนาคามีนี้จะเห็นอสุภะตลอดเวลาเวลาเห็นใครพอจะเห็นว่าสวยหรือหล่อปั๊บนี่มันอสุภะมันจะขึ้นมาทันทีเหมือนที่เราเปิดถ่ายทอดสดนี่พอถึงเวลาถ่ายทอดสดมันจะเด้งขึ้นมาบอกเราทันทีเดื๋ยเวลาใครส่งอีเมลมานี่ส่งข้อความมานี่มันจะเด้งขึ้นมาทันที อันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่จิตเราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บนี่อสุภะมันจะเด้งขึ้นมาทันทีแล้วมันก็จะตัดการอารมณ์ได้ทันทีนี่คือมรรคผลนิพพานระดับต่างๆที่พูดถึงนี่เป็นระดับทางร่างกายส่วนระดับที่สี่นี่เป็นระดับเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเกี่ยวกับเรื่องการยังติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆติด กับความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็ต้องใช้ปัญญาใช้มรรคอีกระดับหนึ่งปัญญาก็มาพิจารณาจิตให้เห็นว่าอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันก็ต้องปล่อยวางเหมือนกับพระโสดาบันปล่อยวางร่างกายพระสกิราคามีพระอนาคามีปล่อยวางความสวยความงามของร่างกาย ก็จะบรรลุถึงอรหัตผลได้ น, นี่คือมรรคผลนิพพานถ้าได้ขั้นที่สีได้มรรคผลขั้นที่สี่คืออรหัตอรหัตมรรคอรหัตผลก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานได้พระนิพพานนี่รออยู่อยู่ที่อรหัตผลพอได้ถึงอรหัตผลก็จะได้พระนิพพานถ้ายังไม่ถึงอรหัตผลก็ยังไม่ได้พระนิพพานเพราะจิตยังไม่สงบร้อยเปอร์เซ็นต ยังไม่สุขร้อยเปอร์เซ็นยังกำจัดความทุกข์ไม่ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นก็เลยไม่เรียกว่าเป็นนิพพานนี่คือรางวัลของพระพุทธศาสนาที่พวกเราจะสามารถารับได้เราสามารถที่จะขึ้นจรวดคือโลกุตรธรรมที่จะพาให้เราออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าเราได้ขั้นที่หนึ่งได้มรรคผลนิพพานขั้นได้มรรคผลขั้นที่หนึ่งเรายังต้องติดอยู่อีกเจ็ดชาติเป็นอย่างมากขั้นโสดาบันนี้ยังต้องติดอยู่ในโลกแห่งกามมาภพอยู่อีกเจ็ดชาติถ้าขั้นภระสกิฎาราคาเมนี้ก็จะติดอยู่ในกามมาภพอีกหนึ่งชาติเป็นอย่างมากส่วนขั้นอนาคาเมนี้จะไม่กลับมาเกิดในกามมาภพอีกต่อไป แต่ยังไปติดอยู่ที่รูปภพอรูปภพอยู่นะแล้วพอขั้นพระอรหันต์ก็จะไม่กลับมาเกิดในตายภพเลยไม่กลับมาเกิดในกามภพไม่กลับมาเกิดในรูปภพไม่กลับมาเกิดในอรูปภพอีกต่อไปจะอยู่เหนือโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ได้หายไปไหนขอให้ทำความเข้าใจไว้จิตที่หลุดออกจากโลกโลกิยา จิตที่หลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังเป็นจิตเหมือนกับจิตที่ติดอยู่ในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่างกันตรงที่จิตที่ไม่ได้อยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่มีทุกข์เลยมีแต่สุขตลอดเวลาปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังส่วนจิตที่ยังติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีสลับกันไปตา ม, ตามบุญตามบาปที่ทาไว้ บางช่วงก็ได้ได้รับผลบุญบางช่วงก็ไปรับผลบาปถ้าเป็นมนุษย์ก็สลับไปสลับมาสามันดีสี่วันค่ายวันนี้สุขเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทุกเดี๋ยววันลินี้ก็สุขอีกสลับกันไปสลับกันมานี่คือจิตของผู้ที่ยังติดอยู่ในโลกียะจิตผู้ที่หลุดออกจากโลกียะแล้วไม่มีไม่มีคำว่าทุกข์หลงเหลืออยู่ แต่ก็เป็นจิตเหมือนเดิมจิตเหมือนกันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันแต่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีการมาเกิดในภพต่างๆฉนั้นทุกท่านสบายใจได้ว่าเวลา ไ, ไปถึงพระ น, นิพพานแล้วไม่ได้ศูนย์คาว่านิพพานศูนนี่ท่านหมายความว่าศูนย์จากความทุกข์ศูนย์จากเหตุ ท, ที่สร้างความทุกข์คือกิเลสตัณหาต่างๆแต่ จิตไม่ต้องเสพอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรต้องเสพถึงเรียกว่าศูนย์แต่ถ้าจิตที่ยังติดอยู่ในโลกียะนี้ยังมีกิเลสตัณหามีความสุขมีความทุกข์ในระดับต่างๆอยู่มีอารมณ์ต่างๆอยู่ให้เสพอยู่เรื่อยๆนี่คือคาว่าศูนย์ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับจอโทรทัศน์เนี่ยเวลาเปิดจอขึ้นมาก็มีภาพหลากหลาย พอปิดจอปั๊บมันก็หายไปหมดถ้าจะเปรียบเทียบจิตของพระนิพพานก็เหมือนจอโทรทัศน์ที่ปิดที่ปิดเครื่องพอปิดเครื่องปั๊บนี่ก็จะไม่มีรูปอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในจอจอจะว่างท่านถึงเรียกว่าศูนย์อย่างว่างจากอารมณ์ต่างๆว่างจากอะไรต่างๆที่มาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ เหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่เกิดจากความว่างนี้เองเกิดจากความสงบนี้เองนี่นี่คือธรรมชาติของจิตจิตจะสุขอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อจิตว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากอารมณ์ต่างๆว่างจากความอยากความโลภต่างๆว่างจากอวิชชาโมหะจิตก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุข แต่ถ้าจิตมีอวิชชาโมหะมีกิเลสตัณหาจิตก็จะไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆมาเสพเนีหารูปเสียงกลิ่นรสหาลาบยศสารเสริญมาเสพแล้วก็ต้องมาทุกข์เพราะสิ่งที่หามาได้มันไม่เที่ยงนั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เที่ยงลาบยศสารเสริญก็ไม่เที่ยงได้แล้วเดี๋ยวก็หมดหมดแล้วก็มาล่องห่มล่องห้เศร้าโศกเสียใจกัน แต่ผู้ที่มีไปถึงนิพพานแล้วไม่ต้องเสพสิ่งเหล่านี้ผู้ที่ไปถึงนิพพานเสพความว่างเสพความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางปวงนั่นเองดังนั้นพวกเราอย่าวิตกเนี่ยชาวพุทธไม่น่าพูดเลยว่ากลัวไม่อยากไปนิพพานเงี้กลัวกลัวไปถึงนิพพานแล้วจะเป็นหายไปกลายเป็นศูนย์ไป ความจริงไม่สูนยเน่ยยังเหมือนเดิมที่ศูนย์คือความทุกข์แต่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานนี่ก็จะไม่ศูนจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้จากการมาทำคันธะทุระ ถ้าเราไม่มาศึกษาไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือไม่ไปอ่านหนังสือในพระไตรปิฎกหรือหนังสือของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะไม่เรียนน้ำไม่เราจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรจะทําอะไรเราก็จะทําไปตามความอยากของเรา เราเคยอยากหาเงินก็จะหาเงินกันอยากหายศหาตําแหน่งก็จะหากันอยากหาสรรเสริญก็หากันเห็นไหมคนในโลกนี้ใช่ไหมเห็นไหมหาเงินกันนักธุรกิจนี่ก็หาอะไรหาเงินนักการเมืองเขาหาอะไรเขาหายศเี่ฐานตํารวจพวกที่เขามียศนี่ก็หาอะไรกันเขาก็หายศกัน จากในสิบก็เป็นในร้อยจากในร้อยก็เป็นในพันในพันกันไปพวกนักกีฬาก็หาหาหารางวัลกันหาหาสันลเสริญหาถ้วยหาเหรียญกันหาเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอพวกดารานักสแสดงก็หาหาตุ๊กตาทองกันโลกทองคําบ้างตุ๊ ก, กตาทองบ้างเอสุพรรณหงษ์ทองบ้างอันนี้ก็เรียกว่า สรรเสริญพอใครได้รางวัลเขาก็สรรเสริญใช่ไมโอ้คนนี้เก่งมากมีการอัดฉีดเห็นไมสิบห้าล้านยี่สิบล้านมีหน้ามีตาไปไหนเอามีแต่คนทักทายยินดีอยากจะพบด้วยใครได้รับรางวัลก็ดีใจยิ้มแป้นไปทั้งวันทั้งคืนคือนี่คือตันหาความอยาก ที่พาให้จิตต้องมาหาสิ่งเหล่านี้แต่ดีใจก็สามวันเดี๋ยวก็หายไปละพอได้มาความรู้สึกนั้นก็หายไปละต้องหาใหม่ถึงจะได้ความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาอีกปีหน้าต้องแข่งใหม่ออมีการแข่งขันคราวหน้าก็ต้องไปแข่งใหม่แล้วถ้าเกิดไม่ได้ทีนี้ก็เสียใจแล้วสิออความทุกข์ก็มาแล้ว เคยเป็นแชมป์อยู่ทุกปีทุกปีปีนี้กลับถูกเขาถูกเขาพ่ายแพ้เขาถูกเขาเอาชนะก็เสียหน้าเสียตาอับอายขายหน้าแทนที่จะหน้าตาเบิกบานทีนี้ก็หน้าตาซึมเศร้าขึ้นมานี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าเรายังอยู่ในโลกนี้อยู่ถ้าเรายังมีตัณหาความอยาก ที่จะหาความสุขจากลาบยศสารเสินหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพธพระอยู่เราก็จะต้องเจอสุขบ้างเจอทุกบ้างแล้วพอร่างกายแก่เจ็บตายก็จะเจอทุกเสียส่วนใหญ่เวลาตอนที่ร่างกายแก่ก็ไม่สามารถไปหาลาบยศสารเสรินหารูปเสียงกลิ่นรสได้เหมือนตอนที่มีกำลังวังชาเช่นเดียวกับตอนเจ็บไข้ได้ป่วย เช่นเดียวกับตอนที่ตายไปพอตายไปความอยากที่มีอยู่ในใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันก็เลยดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่เ mm. พื่อที่จะได้กลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้มาหาลาบยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสผลธัพภ์กันใหม่นี่คือ วิถีชีวิตของจิตใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนต่างกันอยู่ที่ว่าชอบทำบุญชอบทำบาปมากน้อยต่างกันชอบอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือไม่บางคนชอบเงินบางคนชอบยศบางคนชอบสรรเสริญบางคนชอบรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไปหากันตามความชอบของแต่ละคนต่างกันตรงนั้นแตมที่เหมือนกันก็คือ ต้องเจอสุขเจอทุกข์เหมือนกันเจอสุขสลับกับความทุกข์ไปแล้วพอร่างกายตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนแล้วพอผ่านจากการรับผลบุญผลบาปแล้วก็ไปรับร่างกายอันใหม่แล้วก็กลับมาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะกันใหม่ด้วยการทำบาบ้างไม่ทำบาบ้างทำบุญบ้างสลับกันไปแล้วแต่โอกาสยับจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจนกาจะได้มาเจอคนที่สร้างจรวดสร้างโลกุตรธรรมหรือค้นพบโลกุตระธรรมพระพุทธเจ้าความจริงไม่ได้สร้างอะไรแต่นี่เพื่อแต่พูดการเปรียบเทียบให้ฟัง พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบโลกุตตะธรรมคือพบทางที่จะนําไปสู่มรรคผลนิพพานทางที่จะพาให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นพอพระพุทธเจ้าพบทางและไปถึงจุดหมายปลายทางได้หลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ก็ทรงเมตตาเอาความรู้นี้มาเผยแ ผ, แผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา พวกเราจึงต้องศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราถึงจะรู้ว่ า, าชีวิตของพวกเรานี้กําลังเดินไปในทิศทางไหนดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วควรที่จะปรับทิศทางหรือไม่อย่างไรถ้าไม่ได้เรียนจะไม่รู้นะจะไปในทิศทางเดิมที่เคยมาทํามานี้เป็นเวลาอันยาวนานนะทิศทางที่เรากําลังเดินคือทิศทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ย เราเดินกันมาเป็นเวลายาวนานมากร่างกายที่เราเปลี่ยนมาแต่ละร่างนี้ไม่ใช่ร่างสองร่างนะแล้วก็ไม่ใช่ล้านสองล้านนะเอาล้านมาคุณล้านเนี่ยยังยังไม่พอเลยเกตดูเอาล้านคุณล้านร่างเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่มันมากกว่านั้นอีกเพราะเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องดูที่น้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละชาติเนี่ยเกิดมาแต่ละครั้งนี่เราต้องมาร้องไห้กันไหม ลองเก็บน้ำตาไว้ดูนะแล้วลองรวบรวมน้ำตาของแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกันท่านบอกว่ามันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสีกคิดดูก็แล้วกันนี่คือทางที่เราเดินกันมาและจะเดินต่อไปจะเพิ่มน้ำตาขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ต้องศึกษาคนไทยเรานี้น่าสงสารนะได้มาเจอของดีนะได้เจอพระพุทธศาสนาแต่มีกี่คนที่รู้จักพระไตรปิฎกรู้จักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบางรู้จักคันธทุระวิปัสนาทุระคำพูดเหล่านี้มันน่าจะเป็นคำพูดที่ที่จะควรจะรู้กันอย่างแพร่หลายนะวิปัสนาสมถะวิปัสนาสีนสมาธิปัญญา มากแปดอะไรพวกนี้ไม่ค่อยรู้กันเลยรู้อย่างเดียวจุดธูปเทียนสามดอกหยอดเงินใส่ตู้แล้วก็อธิษฐานขอนู่นขอนี่นกันเออยากจะได้แฟนก็ขอแฟนอยากจะได้ลูกก็ขอลูกอยากจะได้งานก็ของานเนี่ยเช้านี้ก็มีคนมาของานอีกแล้ะถวายอาหารเสร็จก็ของาน <laughs> เขาเนี่ยไม่มีคันถับธุระไม่มีการศึกษาเพราะทำคำสอนอย่าว่าแต่วิปัสสนาธุระคือการปฏิบัติตามเลยขั้นที่หนึ่งยังเข้าไม่ถึงเลยคือการศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใครยังไม่รู้เลยลองไปถามเด็กสมัยนี้ดูเลยเราตัดออกไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาในโรงเรียนสมัยเราเป็นเด็กยังโชคดีมีสอนพุทธประวัติมีอะไรกันอยู่ ยังพาเด็กเข้าวัดในวันพระให้ไปขอศีลไปฟังเทศฟังธรรมแล้วเคยจาได้อยู่ปหนึ่งครูพาเข้าวัดไปวันพระไปขอศีลกันไปฟังพระสั่งพระสอนกันฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้ากันแต่สมัยนี้ถามครูที่เขาสอนสังคมแล้วมไม่มีแล้วถ้าสอนต้องสอนทุกศาสนาเพราะเดี๋ยวนี้เราเป็นประเทศที่ก้าวหน้าต้องต้อง ต้องใจกว้างต้องสอนทุกศาสนาสอนศาสนาเดียวหาว่าใจแคบหาว่าเอาแต่พวกของตนพวกคนอื่นไม่ไม่สงเคราะห์ก็เลยไม่ต้องสอนมันทุกศาสนาเลยสอนก็สอนแบบไม่เจาะลึกให้รู้เข้าวๆว่าศาสนาพุทธนี้เป็นอย่างไรศาสนาคริสต์เป็นอย่างไรศาสนาอิสลามเป็นอย่างไรท่านั้นเอง เด็กสมัยนี้เลยไม่รู้จักวัดไม่รู้จักพระไม่รู้จักใครเดินบินทบาทนี้เวลาเด็กมันไปโรงเรียนนี่บางทีต้องคอยหลบมันมันจะวิ่งขึ้นรถมันจะเดินสวนพระนี่มันไม่มีหยุดไหว้แล้วดีไมดด่ดีมันจะชนเอาเสื้อด้วยซ้ำไปถ้าไม่หลบมันเพราะเนี่ยไม่มีการสั่งการสอนไม่มีการศึกษาทางชนบทยังดีอยู่นะต่างๆจังหวัดนี่ ทางภาคอีสานนี่ถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดนี่เช่นสมัยที่ไปอยู่วัดป่าบ้านต่าเนี่ยเวลาชาวบ้านเขาจะเดินไปทํานาทำไร่ถ้าสวนกับพระเดินบิณตาบ้านนี่เขาจะนั่งก่อนนั่งรอไหว้พระให้พระเดินผ่านก่อนเขาถึงจะลุกแล้วเขาถึงจะไปทํางานของเขาต่อไปแต่ถ้าในบ้านในเมืองนี้ไม่มีแล้วเรื่องที่จะให้ความเคารพกับพระนี่ไม่มี ไม่ชนพระก็ดีแล้วอันนี้ไม่ได้เรียกร้องให้เขามาเคารพนะ น, นี้พูดถึงเรื่องของการขาดการศึกษาขาดคันธทุระศึกษาไม่ได้ศึกษาสิ่งที่วิเศษเนี่ยไปศึกษาแต่สิ่งที่ทําให้ยิ่งโง่ขึ้นยิ่งทําให้หลงมากขึ้นยิ่งทําให้โลคมากขึ้นยิ่งทําให้โกรธมากขึ้นนะ การศึกษาทางโลกมันไม่ได้มาหยุดกิเลสนะมันมาเสริมกิเลสนะยิ่งศึกษายิ่งเรียนยิ่งอยากได้มากยิ่งมีความรู้มากยิ่งสามารถหาเงินได้มากเนี่ยก็จะโลภกันก็อยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นกิเลสตัณหาก็มากขึ้นมากขึ้นพบชาติของการเวียนว่ายตายเกิดก็มากขึ้นเพราะพบชาติมันเป็นผลของกิเลสตัณหานี่ ยิ่งมีกิเลสตัณหามากเท่าไหร่ยิ่งต้องเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นเท่านันา้นเนี่ยพระโสดาบันนี่ท่านตัดกิเลสเหลือแค่เจ็ดชาตินั้นเองพระสกิฎาคามีนี้ท่านกัดตัดกิเลสเหลือเพียงชาติเดียวพระ อ, อนาคามีนี้ตัดกิเลสแบบไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปพระอรหันนี้ตัดแบบไม่ต้องกลับมาเกิดในเป็นพม่โลกอันนี้แหละคือธรรมะ ที่เราต้องการกันที่เราจะได้จากการมาทําหน้าที่ของชาวพุทธเราคือมาทําธุระสองธุระนี้ขั้นแรกก็ทําคันธะธุระศึกษาเรื่องพระธรรมคาสอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของพวกเราว่าไปในทาทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็ควรที่จะสับรางมือนวดไฟ รถไฟเราต้องการไปเชียงใหม่แต่มันมุ่งไปทางสุราษฎร์อย่างเงี้ยมันก็ต้องให้ต้องสับรางแล้วนะมันไปคนละทิศกันแล้วเราต้องการไปเหนือแต่รถมันวิ่งไปทางใต้เราต้องการไปสู่โล ก, กุตระธรรมแต่มันกำลังวิ่งไปสู่โลกียะธรรมมันพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตาเกิด ถ้าเรามีความอยากในลาบยศสรรเสริญมีความอยากในรูปเสียงกิรินี้สแสดงว่าเรากําลังสร้างภพสร้างชาติไม่ได้ตัดภพตัดชาติถ้าเราอยากจะตัดภพตัดชาตินี้เราต้องหยุดการหาลาบยศสารเสริญหยุดหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเราต้องมาสร้าง ความสงบสร้างสันติสุขด้วยการทําบุญทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราทําคันธทุระคือศึกษาพระธรรมคาสอนต่างๆให้รู้ว่าชีวิตของเรานี้ถ้าต้องการจะเปลี่ยนทิศทางจากการเวียนว่ายตายเกิด ไปสู่การหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เราจะต้องยูเทิร์นกันเหมือนกับขับรถเนี่ยถ้าเราขับรถไปทิศหนึ่งแล้วเราเปิดแผนที่ด้ยไม่ใช่ทางที่เราต้องการไปเนี่ยว่ามันไปอีกทางหนึ่งเราก็ต้องเบรกรถละเบรคแล้วก็เลี้ยวกลับไปคนละเลนไปผิดเลนมันต้องยูเทิร์น อันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เรากำลังไปถ้าเรากำลังหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นี่แสดงว่าเรากาลังไปผิดทิศละเรากำลังไปสู่ความทุกข์กันสู่กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันสู่น้ำตาที่มากยิ่งกว่าน้าในมาหาสมุทรถ้าเราอยากจะออกจากความทุกข์กองทุกข์อันนี้เราต้องยูเทินกันหยุดล ด, ด หยุดหาลาบยศจลาเสริญหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหยุดทันทีไม่ได้ก็ผ่อนคันเร่งก่อนถ้ายังยังหยุดทันทีไม่ได้ก็ต้องลดก่อนลดการหาลาบยศจลาเสริญลดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้น้อยลงไป เอาทีละเล็กทียน้อยก่อนก็ได้ถ้าไม่มีกำลังที่จะหยุดมันได้แบบเต็มที่บางคนเก่งพอรู้ปั๊บนี่หยุดเลยแต่บางคนนี่รู้แต่ยังทำไม่ได้ยังติดนูน่นติดนี่อยู่ฮะยังติดรูปติดเสียงติดกินติดลสอยู่ยังติดอะไรอยู่ก็ลองลดทีละสิบเปอร์เซนตดูลดไปปีนี้สิบเปอร์นปีหน้าอีกสิบเปอร์เซนแต่ลดแบบนี้มันก็อาจจะไม่ทันเวลาก็ได้นะ ว่าเกิดจะตายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคิดนึกถึงความตายนี้อาจจะมีความกล้าหาญว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่งั้นรีบลดมันเสีตั้งแต่เดี๋ยวนี้ดีกว่าออก็มีบางคนก็ทำได้ถ้านั่งลึกถึงความตายบ่อยๆมันจะทำให้เรามีความกล้าหาญที่จะลดละกิลเลสตัณหาลดละการหา ร, ราบยศสารเสริอสุกันได้ ถ้าไม่นึกถึงความตายนี่ไม่แน่มันมันประมาทเนี่ยท่านหลงสอนให้เราหมั่นเจริญมราณานุสสติอยู่เรื่อยๆเพื่อความไม่ประมาทพอเราไปงานศพนี่เห็นไหมใครจะไปคิดว่าเขาจะตายกันวันวันสองวันนี่อยู่ๆก็ตายไปพออย่างนีเ้เราต้องย้อนโอปันะยิโกกลับมาที่ตัวเราร่างกายเราก็เหมือนของเขาแหละใครจะมารับประกันว่าเราจะไม่ตายในวันสองวันนี้ไม่มีใครรับประกันได้ ยิ่งถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้ทำให้เราใจนี้ไม่ค่อยสนใจกับการหาราบยศสรรเสริญจะทำให้เรามีความกล้ า, าหาญที่จะยอมหยุดการหาราบยศสรรเสริญแล้วก็ไปหารูปไปหามรรคผลนิพพานกันแทนนี่ยอันนี้เราต้องศึกษาเราถึงจะได้ความคิดเหล่านี้ขึ้นมาถ้าไม่ศึกษาแล้วไม่ลองเอาไปปฏิบัติ ด, ดูถ้าได้ปฏิบัติ ด, ด้วยยิ่งมีกาลังใหญ่ ถ้าปฏิบัติแล้วไ ด, ได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติแม้จะเป็นเพียงแค่งูงลาบลิ้นกระตานจะเกิดกําลังใจขึ้นมาอย่างมหาศาลจะเกิดความกล้าหาญที่จะเลิกการหาราบยศสระเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้และสามารถออกบวชหรือปฏิบัติเต็มรูปแบบได้และถ้าได้ลองปฏิบัติเต็มรูปแบบโดยแล้วรับรองได้ว่า มรคนิพพานนี้ก็จะต้องตามมาอย่างอย่างแน่นอนตามที่พุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากจะได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องธุรกรรมของพุทธศาสนามีสองธุรกรรมด้วยกันคือหนึ่งค Th ันธทุระคือการศึกษา เขาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำาอาไปปฏิบัติคือวิปัสนาธุระวิปัสนาธุระก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือยูเทิร์นหยุดรถแลด้วเบรกรถแล้วก็ยูเทิร์นหันกลับหยุดหาลาบยศสารเสริญสุขแล้วมาหามรรคผลนิพพานกันแทนแล้วรับรองได้ว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้ารอพวกเรากันอยู่อย่างแน่นอน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 จันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัภีติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตะวันตารายอสุขีทีฆายุโกภวะ อาพิวาทนาสีลิตสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ทาง Facebook ี่ร y อยสิบหก8 1ร้อยแปดสิบเอ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบแปดรับฟังบนเขาห้าสิบเก้ารวมหกร้อยแปดสิบสี่ค่ะใครมีคำถามอยากจะถามคำถามก็เชิญขึ้นมาถามข้างบนหรือถ้าไม่ทำการขึ้นมาก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แล้วแต่จะสะดวกถ้ายังไม่มีใครในที่นี้ก็จะเอาคำถามจากทางบ้านก่อน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ขณะปฏิบัติคนเดียวเกิดความกลัวเมื่อนึกคิดถึงภาพหรือเรื่องราวในอดีตระพุงต่ออีกยิ่งกลัวพอเท่าทันความคิดด้วยการพุโทโธก็จะหยุดกลัวพอภาพใหม่มาอีกก็พุโทโธก็หยุดกลัวได้อีกเกิดความสงสัยว่าจิตจะส่งความคิดหรือเรื่องราวที่น่ากลัวออกมาให้เราคิดทําไมหรือเราไปคิดมันขึ้นมาเองและความคิดนี้เราหยุดมันได้หรือไม่หรือมันเป็นอนัตตาพอโผลออกมาก็พิจนารณาด้วยปัญญาตามกํา ลังและสมาธิที่มีเป็นครั้งครั้งไปถ้าใช้สติก็จะหยุดันได้เป็นครั้งครั้งไปถ้าใช้ปัญญาได้มันก็จะไม่กลับขึ้นมาการใช้ปัญญาก็คือต้องเช่นกลัวอะไรเราก็พิจารณาว่าสิ่งที่เรากลัวมันทำอะไรเราได้บ้างมันทำได้ก็แค่ทำให้เราตายเป็นอย่างมาก ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายเราก็เห็นว่าร่างกายเราก็ต้องตายอยู่ดีร่างกายเราก็อันนี้จังไม่เที่ยงถ้าเรายอมให้ร่างกายยอมรับความจริงอันนี้แล้ว ถ, ถ้าถึงเวลามันจะตายตอนที่สิ่งที่น่ากลัวมันโผล่ขึ้นมาก็ให้มันตายไปพอเราปล่อยความกลัวตายได้ต่อไปความกลัวมันก็จะไม่เกิดความคิดจะเกิดก็ไม่มีไม่มีผล คิดเห็นผีคิดเห็นอะไรก็เฉยเฉยกูรู้แล้วว่าอย่างมากมันก็ต้องทาให้กูแค่ตายเท่านั้นเองเอแล้วยังไงกูก็ต้องตายอยู่ดีอคิดอย่างนี้แล้วมันต่อไปมันไม่กลัวอะไรพอมันรู้ว่าที่เรากลัวจริงๆก็คือความตายนี่พอเรายอมตายแล้วความกลัวต่างๆจะหายไปหมดถ้ากลัวความเจ็บก็ต้องหัดฝึกอยู่กับความเจ็บให้ได้เวลาเจ็บก็อย่าไปหนีเมันอย่าไปทําให้มันหาย ปล่อยให้มันหายเองมาฝึกจิตให้รับรู้ความเจ็บแบบเฉยๆไม่ต้องไปมีความอยากให้มันหายแล้วใจเราจะไม่กลัวจะไม่ใจเราจะไม่เจ็บใจเราจะไม่ทรมานแล้วเราจะอยู่กับความเจ็บได้ <c oughs> ถ้ากลัวความอดอยากก็หัดอดข้าวดูอดมันสักสามวันห้าวันเจ็ดวันดูพระพุทธเจ้าอดต้องสี่สิบเก้าวันเราอดแค่มื้อเดียวเองจะตาย ตายเพราะมันความอยากกินเอ่องั้นถ้าเรามาฝึกจิตใช้สติพุโทโธพุโทโธเอก็จะหยุดความหิวหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความหิวได้เป็นพักๆถ้าอยากจะให้มันหายขาดเลยก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาในที่นี้ก็ต้องพิจารณาอาหารที่เราจะรับประทานเอ้อย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานเฮ้ย อ, อย่าไปคิดถึงอาหารที่ตามร้านเขาถ่ายภาพไว้ให้ดูเอ มันคิดตอนที่มันออกมาจากท้องออกจากร่างกายเราถ้าจะจะคิดอาหารที่คิดถึงอาหารคิดตอนที่มันถ่ายออกมาออกมาเป็นไส้กรอกนะหรือคิดว่าเป็นตอนที่มันอยู่ในปากเคี้ยวกับเคี้ยวอยู่ในปากผสมกับน้าลายหรือตอนที่มันอยู่ในท้องเวลาที่อาเจียนออกมาถ้านนึกถึงภาพเราของอาหารเหล่านี้แล้ว ต่อทุกครั้งที่นึกถึงอาหารมันจะกินไม่ลงมันจะไม่อยากกินมันยอมหิวดีกว่าดิเมื่อเช้านี้มีคนถวายของโอ้ยประดับประดาสะสวยเลยแล้วก็เลยอย่าเขาไม่คิดถึงเวลามันเข้าไปอยู่ในท้องมั่งแร้วเป็นยังไงเขาหัวเลาะกากคำถามสักคุณธีรศักดิ์ ดวงจิตของเราอยู่ภายใต้กฎของไตรักหรือไม่ครับทำไมดวงจิตถึงไม่มีเกิดไม่มีตายจิตไม่อยู่ภายใต้กฎไตรักแต่อารมณ์ของจิตอยู่อารมณ์ในจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวสดชื่นเบิกบานเดี๋ยวเศร้าหมองนี่บางทีเขาพูดสั้นๆก็เลยเรียกว่าจิตความจริงมันเขาพูดถึงอารมณ์ที่มีอยู่ในจิต ธรรมารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ตัวจิตเองนี้มันไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันดับมันเป็นธรรมไม่ใช่เป็นสังขารธรรมารมณ์ต่างๆนี้เป็นสังขารใช่ไหมที่บทที่ท่านสวดสัพเพสังขาราอนิจจาถ้าอะไรเป็นสังขารมันจะเป็นอนิจจังมันถ้าแล้วมันจะทําให้เราทุกข์เป็นทุกขัง แต่ถ้าเป็นธรรมานี้มันมันไม่เป็นสับเบธมานตาจิตนี้เป็นธรรมที่ไม่มีเกิดไม่มีดับเหตนก็ต้องให้รู้สิ่งที่ไม่มีเกิดไม่มีดับก็มีอยู่หกสิ่งด้วยกันคือธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้คือเจตจิตแล้วก็อวกาจธาตุคือความว่าง ของพวกนี้มีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่มันอาจจะไปรวมกันเป็นต้นไม้เป็นคนเป็นสัตว์แต่แล้วเดี๋ยวมันก็แยกกลับมาเป็นธาตุเหมือนเดิมออพวกนี้ไม่มีไม่มีวันเกิดไม่มีวันดับออแต่มีวันมีการไปผสมกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อธาตสี่มารวมกันก็จะเกิดต้นไม้อะไรต่างๆขึ้นมาถ้ามีธาตุห้าคือจิต หรือถ้ารู้มารวมก็จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็แยกกลับกันไปต่างคนต่างไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันใหม่มารวมกันใหม่นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมันก็กแบบนี้แหละคะคําถามจากคุณโจ ผมนั่งพิจารณาอสุภะร่างกายตนเองตั้งแต่ตายเน่าเปื่อยจนเป็นกระดูกกลับไปกลับมาจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหลือแต่จิตว่างนิ่งสงบในความมืดจึงขอทราบว่าสิ่งที่เกิดเป็นปกติของการนั่งสมาธิหรือไม่ครับและหากพบเหตุการณ์นี้อีกควรปฏิบัติต่ออย่างไรครับคือการปฏิบัติตอนนี้มันเป็นการเหมือนฝึกจิตเป็นการทําการบ้าน เพื่อให้เวลาเกิดเหตุการณ์ที่มากระทบกับร่างกายของเราให้ใจของเรานิ่งเหมือนตอนที่เราซ้อมอยู่ตอนนั้นว่าร่างกายมันจะต้องเสื่อมสภาพไปจากการหมดลมหายใจแล้วก็เริ่มเน่าเปื่อยไปจนในที่สุดก็เหลือแต่โครงกระดูกนี่คือนี่คืออนาคตของร่างกายของพวกเราทุกคนที่พวกเราถ้ามันศึกษาเหมนมันสอนจิต มันจะได้ไม่มีเกิดความหวาดกลัวตกใจเวลาที่จะต้องเจอกับสภาพอย่างนี้หรือไปเจอกับร่างกายของคนอื่นก็จะไม่มีความหวาดกลัวอะไรเพราะเรารู้ว่าซากศพนี้มันก็มาจากคนที่มีลมหายใจเหมือนพวกเราตอนที่มีลมหายใจไม่เห็นกลัวเลยพอไม่มีลมหายใจขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมา อ น, นั้นถ้าเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วต่อไปกลับไปกลับมาดูตอนตายดูตอนไม่ตา ย, ยมันก็คนเดียวกันเดียวะแล้วมันต่างกันตรงที่ไม่มีลมหายใจนั่นเองแล้วลทาไมเวลาเราไม่มีลมหายใจนี้ไม่กล้าแตะเลยไม่กล้าเข้าใกล้เลยแต่เวลามีลมหายใจนี้โอ้กอดกันนั่นเล ย, เยทำไมอะเพราะไม่มีปัญญาทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกนึกคิดเนีน่ย ก็เลยเกิดความรักความชังในร่างกายของตนในร่างกายของคนอื่นขึ้นมาแต่ถ้าพิจารณาอสุภะพิจารณาอันตรจังอยู่ได้เรื่อยมันก็จะทำให้ใจปล่อยวางเฉยๆกับความเป็นความตายของร่างกายได้ไม่หวั่นไหวไม่กลัวเวลาที่ร่างกายจะตาย หรือไม่หลงไปรักใครถ้าไปเห็นร่างกายใครหน้าดูหน้าชมอย่างไรก็สามารถพลิกกับให้มันไม่น่าดูหน้าชมได้เหมือนกับอาหารอาหารจะจานเด็ดขนาดไหนอร่อยขนาดไหนถ้าเราพิจารณาปฏิกูลอยู่เรื่อยเรื่อเราสามารถพลิกมันได้ทันทีล้มภาพที่สวยงามของอาหารมากลายเป็นภาพที่ไม่น่ารับประทานของอาหารได้ นั่มันก็จะทำให้เราดับความอยากต่างๆได้คำถามจากคุณปอกระผมนอนหลับไม่ฝันอะไรเลยถือเป็นความว่างหรือไม่อย่างไรครับก็บางทีมันมีเหตุไลายเหตุไงบางทีมันเหนื่อยมันขี้เกียจคิดขี้เกียจมันก็ไม่ฝันก็ได้เล้วพวกบางพวกที่ชอบนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะไม่ค่อยฝันกันพวกที่ชอบคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเนี่ยจะฝันเยอะ เพรนบางวันก็ฝันบางวันก็ไม่ฝันมันไม่แน่การไม่ฝันก็ไม่ได้หมายความว่ามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิการไม่ฝันบางทีก็จะไม่มีเรื่องให้คิดก็เลยไม่ได้คิดอะไรในวันนั้นหรือมันน่างกายมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยมันก็เลยไม่คิดอะไรเพระฉะนั้นบางวันนี่เราเหนื่อยเหน่อยี่หลับเป็นชั่วโมงเลยใชหลับสนิทเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่วันไหนที่นอนทานนอนอิ่มแล้วให้มันนอนอีกทีนี้มันจะนอนไม่หลับ นอนไม่ค่อยหลับน้นทีนี้มันจะคิดนู่นคิดนี่เวลานอนไปมันหลับไปมันก็ยังฝันต่อมันยังคิดต่อความคิดต่อตอนที่เราหลับก็แล้วก็เรียกว่าฝันนั่นเองคําถามจากคุณโอปิลเรานั่งสมาธินี้เพื่อให้เราหมดความฟุ้งไปจากใจเหลือแต่จิตว่างๆหรือความฟุ้งมันยังอยู่ไม่หายไปไหนแต่เรารู้ทันความฟุ้งที่เกิดขึ้นแล้วดับมันให้ได้คะ อ๋อเราก็นั่งให้มันหายไปให้หมดเรือแต่ความว่างเพราะความว่างเป็นความสุขที่แท้จริงของใจเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงพอเราได้ความสุขแบบนี้เราจะได้เลิกหาเงินเพราะไม่ต้องใช้เงินไปซื้อของแต่จะได้ความสุขก็ไปนั่งสมาธิแทนดีกว่าไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มนั่งสมาธิได้ความสุขที่ดีกว่า กิถ้าเปรียบเทียบก็เป็นความสุขระดับ V.I.P. ถ้าเป็นเครื่องบินก็ชั้นหนึ่งไม่ใช่ชั้นประหยัดเชั้นประหยัดก็เป็นพวกปลากระป๋องนั่งเบียดกันแต่ถ้าได้ชั้นหนึ่งโอ้ยนั่งก็ได้นอนก็ได้เออนั่นแหละนั่นแหละคือความสุขที่ได้จากสมาธิความสงบพอเราได้จากนั้นแล้วเราก็เลิกทํางานได้เอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่า เงินที่ได้จากการเดือนนี้ไม่สามารถซื้อความสุขจากเท่ากับความสุขที่เราได้จากสมาธิแล้วเรื่องอะไรเราไปทํางานให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆทำไมไปนั่งสมาธิดีกว่าคําถามสกุณลฐกิจก็ผมขอเรียนถามว่าพุทธโธเวลาเดินที่เท้าจะเป็นบาปหรือไม่ครับผมได้ยินมาว่าก้าวพุทเหยียบโทแล้วเป็นบาปครับไม่บาปหรอก มันเป็นแค่เป็นเพียงคำพูดคำคิดเท่านั้นเองยังไม่บาปจะเกิดก็ต่อเมื่อเราไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดะเวณีพูดปดเดิมสุรายามเมาถามว่าควรจะถามว่าไม่เขารบหรือเปล่าไม่เขารบพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอย่างงี้ก็ยังไม่ถือว่าไม่เขารบเพราะนี่เป็นการปฏิบัติเป็นการเจริญพุทธานุสติ ไม่บาปเป็นการเจริญสติเป็นการปฏิบัติบูชาเข้าใจอ่มบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการเจริญสติเจริญพุทธานุสติก้าวเท้าซ้ายก็ว่าพุทธก้าวเท้าขวาก็ว่าโทไม่ผิดเป็นเป็นการบูชาไม่ได้เป็นการลบหลู่แต่อย่างใดคำถามจากคุณโจ ผมพิจารณาอสุภะร่างกายของตนเองตั้งแต่ตายจนเน่าเป็นกระดูกจนรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหลือแต่จิตสงบทาซ้เหรืะขอโทษก็ค่ะนั้นคาถามจากคุณพีโกนค่ะถ้าเจอคนที่ไม่รักษาคาพูดพูดเปลี่ยนไปมาเป็นประจำถือว่าศีลข้อสี่ขาดหรือไม่ถ้าไม่รักษาคำพูดมันก็ผิดศีลนะโกหก หมดแล้วเลยถ้ารู้ว่าเขาโกหกก็อย่าไปเชื่อเขาสิถ้าเขายังโกหกก็ยังไม่เชื่อเขาอยู่ก็ช่วยไม่ได้คนบางคนเขาเรียกกันนะเจ็บแต่ไม่จำํำเขาโอ้ยสัญญานี่อย่างางู้นอย่างนี้จะทําอย่างงู้นอย่างนี้ให้พอถึงเวลาก็ไม่ทําปล่อยให้น้ําตาตกในเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เลิมพอเขามาพูดห ว, วานๆเข้าใหม่ก็เชื่อเขาอีกออนี่คือ ใครเขาทำอะไรที่หลอกเราแล้วเราต้องอย่าให้เขาหลอกเราสองครั้งมีสุภาษิตก็ว่าถูกหลอกครั้งแรกนี้ถือว่าเป็นโทษของคนที่มาหลอกเราถ้าถูกหลอกครั้งที่สองนี้ถือว่าเป็นโทษของเราที่ปล่อยให้เขามาหลอกเราได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนโกหกหลอกลวงแล้วยังดันไปเชื่อเขาอีกนี่มันก็แสดงว่าเรามันมันโง่มากกว่าเขาอะ ปล่อยให้เข้ามาหลอกเราได้ครั้งแรกเราไม่รู้นี่ว่าเขาเป็นคนโกหกหลอกลวงหรือไม่เราก็ต้องให้เกียรติเขาเอายอมเชื่อมันหน่อยแต่พอรู้ว่ามันเป็นโกหกหลอกลวงแล้วเขาหลอกครั้งที่สองได้ก็สแสดงว่าเราโง่คือข้าสอนว่าทำอะไรให้จดให้จําไว้สิ่งที่ดีก็จดจาสิ่งที่ไม่ดีก็จดจอ แต่ไม่ได้จดจาแบบเ อ, เอาเอาแบบอารมณ์นะคือแบบจะอาฆาตพยาบาทหรือจะอะไรในทํานองนั้นจำไว้เพื่อชีะได้เป็นข้อมูลไว้ใช้ต่อไปเวลาที่จะต้องมีการพบปะกันมีการเกี่ยวข้องกันจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นคนอย่างไรมีความดีกี่ข้อมีความไม่ดีกี่ข้อเราจะได้ระมัดระวัง เพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดความเสียหายกับเรามีอไหมมีค่ะาคาถามจากคุณถาปณีการถวายผ้าขาวกับถวายปัจใจมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะาปัจใจก็ปัจใจเลยผ้าขาวมันก็ผ้ามันผ้าเนีอาไว้นุ่งห่มแต่ปัจใจนี่เอาไปนุ่งห่มไม่ได้ ขาดจนี่ก็ต้องเอาไปใช้ต้องไปซื้อผ้าอีกทีหนึ่งถ้าต้องการให้เขาเขาขาดผ้าเราไม่ต้องการให้เขาไปซื้อเองก็ให้ผ้าเขาไปเลยแต่ถ้าไม่รู้ว่าผ้าแบบไหนก็ให้เงินไปแทนแล้วให้เขาคนรับไปซื้อผ้าเหมือนที่เราให้บางทีให้เงินลูกหรือให้ให้ของขวัญเพื่อนอย่างเงี้ยเราเราไม่รู้ว่าเขาใส่กางเกงขนาดไหน เสื้อขนาดไหนรองเท้าขนาดไหนเราก็ให้เงินไปแทนก็ได้มันก็ต่างกันตรงนั้นแหลอแต่อั น, นิีสงส์คือบุญก็เท่ากันคือถ้าค่าของสิ่งที่เราเสียสละไปเท่ากันเช่นผ้าราคาร้อยหนึ่งแล้วเงินร้อยหนึ่งเนี่ยเราให้แบบไหนก็ได้บุญเท่ากันเพราะเราสูญเสียเท่ากัน ถ้าอยากจะได้บุญมากก็ต้องเสียมากเหมือนกินข้าวถ้าอยากกินอิ่มมากก็ต้องกินมากถ้าอิ่มน้อยก็กินน้อยนี่คือกาบุญมันเป็นอาหารของจิตใจถ้าอยากจะได้ความสุขมากก็ต้องเสียสละมากคำว่าบุญก็คือความสุขใจนั่นเองคำถามจากคุณปาริชาติคนที่มีบุญบารามีมีลักษณะอย่างไรเจ้าคะ ก็เป็นคนที่ใจบุญไงคนที่ใจบุญเอะแล้วแต่เขาทำบุญบารมีแบบไหนมาเขาก็จะแสดง อาการเหล่านั้นออกมาถ้าเป็นคนชอบทำบุญก็จะชอบทำบุญคนที่ชอบรักษาศีลก็จะรักษาศีลคนซื่อสัตย์สุดจเจต็ดไม่โกหกหลอกลวงคนที่มีความขยันก็จะแสดงความขยันออกมาไม่ขี้เกียจไม่เกี่ยงงานถึงเวลาทำงานนี้ไม่เกี่ยงกันอย่างนี้เรียกว่ามีบารมีทางแต่ละทาง คนที่มีปัญญาบารมีก็จะเป็นคนที่พูดแล้ ว, ลวฟังคนจะได้ความรู้จากเขาพอมาฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ความรู้อันนี้แสดงว่าคนที่พูดนี้มีมีปัญญาบารมีอันนี้ก็เป็นเรื่องของบารมีลองไปศึกษาดูมีอยู่สิบประการด้วยกันเมตตาบารมีคนที่มีความเมตตาทานบารมีคนที่ชอบทำบุญทาทานศีลบารมีเป็นคนที่ อภิสุทธ ส, สุดจริตเนี่ยในขมมะบารเมเป็นคนที่สมถะเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อกับรูปเสียง ก, กลิ่นรสต่างๆเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าฟ้าชอบนั่งสมาธิะคนที่มีอุเบกขาบาลเมเป็นคนที่ใจเย็นไม่ตื่นเต้นตกใจไม่แสดงอาการโกรธเกลียดอะไรกับใครเนี่ยมีอุเบกขาบารมี คนที่ฉลาดรู้เรื่องนานรู้เรื่องนี้เรียกว่ามีปัญญาบา ร, รมีคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ก็เรียกว่าอธิฐานบา ร, รมีตั้งใจจะทำอะไรก็ทำตามที่ตั้งใจไว้นี่คือคนมีมีเป้าหมายของชีวิตเรียกว่าปีนี้จะทำอะไรบ้างนี่พอปีใหม่เขาจดรายการไว้แล้วปีนี้จะต้องทำนูน่นต้องทำนี่เรียกว่ามีเป้าหมายมีอธิฐานบา ร, รมี พวกที่ตั้งเป้าแล้วพอถึงเวลาไม่ทําก็แสดงว่าไม่มีสัจจะบาลามีถ้าคนที่มีสัจจะพอตั้งเป้าว่าจะทําอะไรเช่นปีนี้จะเลิกกินเหล้าก็เลิกพูนมาชวนก็ไม่กินออย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัจจะบาลมีด้วยมีอธิษฐานบาลมีแล้วก็มีสัจจะบาลามีแล้วคนที่เออ่ขยันทํา ในสิ่งที่ตนเองได้ตั้งใจไว้ทมก็เรียกว่ามีวิริยะบารมีแล้วเวลาเจออุปสรรคเจอความยากลำบากก็ไม่ถอยก็เรียกว่ามีคันติบารมีมีความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์ที่ต้องการเช่นบางคนปีนี้จะถือศีลแปดเนี่ย ทั้งปีพอถึงเวลาหิวข้าก็ต้องอดทนเอายอมอดเวลาเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ต้องปฏิเสธเขาไปก็ต้องมีขันติบางทีมีคนเข้ามาแย่มาล่ออยู่เรื่อยๆก็ต้องมีความอดทนไม่ไปนะ น, นี่คือลักษณะของคนที่มีบารมีซึ่งแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันดังที่เราคงได้อ่านเรื่องพระเจ้าสิบชาติเนะ นี่ก็คือบารมีสิบชนิดนพระเตมีพนนี้มีอุเบกขามากไม่พูดอะไรไม่แสดงอาการอะไรใครจะพูดใครจะด่าใครจะชมทั้งก็เฉยเตมีอุเบกขาบารมีพระชนกหมาชนกก็มีวิริยะบารมีมากมีความขยันลอยคออยู่กลางทะเลก็ไม่ยอมยอมจมน้ำตายขอไหว้ไปจนกว่าจะสุด จนกว่าจะหมดกำลังเนี่ยเาเรียกว่ามีวิริยะบารมีความเพียรพยายามต่อไปคำถามจากคุณแบงค์บุญกุศลจากการบวชหรือจากการทำความดีต่างๆบิดามารดาจะได้รับอัตโนมัติไหมครับได้ตรงที่เขาสบายใจ <laughs> เห็นลูกเป็นคนดีลูกไม่กินเหล้าเมายา ลูกไม่ไป เ, เกี่ยวข้องกับอบายามุขอาชญากรรมอะไราะพแม่ก็นอนตาหลับสบายใจได้ตรงนั้นคำถามจากคุณเมธทำสมถั ก, กรรมฐานจนได้ฌานแล้วทำอย่างไรวิปัสนาญาณจึงเกิดครับก็ต้องทำอีกตอนหนึ่งคนละตอนกันตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็มา เวลาเห็นอะไรก็ให้คิดเป็นตายลักไปให้หมดเห็นเงินก็คิดว่าเป็นตายลักไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอยู่กับเราชั่วเทาวเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องแยกกันไปคนลัดทางเขเรียกว่าปัญญาวิปัสสนานี้เราต้องทาตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิออกจากสมาธิมาแล้วเห็นแฟนก็พิจารณาสุภาพไปเขาเรียกว่าปัญญา เห็นโครงกระดูกของแฟนเห็นลำไส้ของแฟนเห็นตับเห็นไตเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาคำถามสกุลธนพรเวลาเรารอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแบบครอบคุมทำยังไงเจ้าคะก็ขอทิศส่วนบุญนี้กับสรรพสัตว์ทั้งปวงใครอยากจะได้ก็มาเอาไปเลยไม่เจาะจงให้กับใครแต่ให้ทุกสัตว์ไม่ได้แล้ของมันนิดเดียวจะไม่ สัตว์เป็นล้านตัวแล้วมีขนมอยู่ยชิ้นเดียวก็ก็ต้องแบ่งกันเป็นล้านส่วนถ้าจะให้ทุกสัตว์ทุกบุคคลมันก็ได้นิดเดียวฉะนั้นส่วนใหญ่การอุทิศบุญนี้เราอุทิศเจาะจงมากกว่าคิดถึงใครหรือก็ามาเข้าฝันเขาเดือดร้อนเขามาขอความช่วยเหลือก็อุทิศบุญให้กับผู้นั้นไปไม่ใช่อุทิศแบบว่ครอบจักรวาลแล้วมีเงินแค่สิบบาทนี่ไปแบ่งกันได้สักกี่ กี่สหลงกันกีน่สตางกันใช่ไหม<ตร>คำถามจากคุณพีโกนถ้าพระหนึ่งรูปเป็นตัวแทนวัดรับสังฆทานถือว่าเราได้ถวายสังฆทานไม่เจาะจงกับพระตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปได้หรือไม่เนี่ยที่นี่ก็เนี่ยเราเป็นตัวแทนเนี่ยของที่ญาติโยมถวายนี่ก็เป็นของพระทุกรูปที่อยู่บนนี้แบ่งกันทุกคนมีสิทธิ์เพียงแต่เราเรามีสิทธิพิเศษเลือกก่อนคนเป็นตัวแทนนี่เลือกได้ก่อน คำถามจากคุณสรชัยความอยากมีเงินทองหรือสิ่งของต่างๆนั้นได้หมดไปจากใจแล้วครับมันคืออาการอะไรครับก็หมดแล้วก็หมดอาการอะไรมาทำไม่ไหมันก็หมดเฉยอาการก็หมดมันไม่มีชื่อแล้ว มันยังไม่เป็นนิพพานหรอกถ้าอยากจะถามว่าเป็นนิพพานอกอยังไม่เป็นหรอกมันยังมีอาการอยากอ ย, ากอย่างอื่นอยู่ต้องไม่มีอาการอยากกับอะไรทั้งหมดเลยนะถึงจะเรียกว่านิพพานคำถามสักคุณาวินการให้ทานกับพระโสดาบานันกับพระสงฆ์ที่เป็นพระโพธิสัตว์มีอนิสงส์ต่างกันอย่างไรครับถ้าให้เฉยๆไม่ได้คุยกับท่านก็ได้เท่ากัน แต่ถ้าได้คุยกับท่านก็จะได้ธรรมะต่างกันถ้าคุยกับพระโสดาบันก็จะได้ธรรมะระดับโสดาบันถ้าคุยกับพระโพธิสัตว์ก็จะได้ธรรมะระดับโพธิสัตว์เหมือนคุยกับอาจารย์ปริญญาตรีกับปริญญาโทเฮ้ยถ้าถ้าคุยกับอาจารย์ที่จบนิติบัณฑิติศาสตร์ก็จะได้เรื่องนิติศาสตร์เท่านั้นจะไม่ได้เรื่องวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไม้มการนี้ก็แบบเดียวกัน เวลาทำบุญนี้เราจะได้สองอย่างหนึ่งได้ความได้บุญจากการเสียสละอันนี้ไม่ว่าจะให้ใครได้เท่ากันให้โสดาบันร้อยบาทให้พระโพธิสัตว์ร้อยบาทก็ได้บุญเท่ากันแต่ถ้าเราได้คุยกับพระโสดาบันเราก็จะได้รู้จักวิธีทำตัวเราให้เป็นโสดาบันได้ถ้าเราคุยกับพระโพธิสัตว์เราก็จะได้รู้จักวิธีที่จะทาตัวให้เราเป็นพระโพธิสัตว์ได้ก็ต่างกันตรงนั้น คำถามจากคุณดิศยาปัจจุบันมีผ้าไตรหลายแบบทั้งแบบเอาผ้ามาเย็บต่อกันกับแบบธรรมดาผ้าไตรที่เย็บแบบหลายๆชิ้นต่อกันพระจะใช้งานได้นานกว่าไหมคะอยากให้พระสงฆ์ใช้ผ้าไตรแบบไหนดีที่สุดคะคือตามพระวินัยนี้ต้องตัดผ้ามาเป็นชิ้นๆแล้วมาเย็บติดกันใหม่พระพุทธเจ้าต้องการให้ผ้ามันไม่น่าดูไม่ไม่เป็นผ้าที่คนเขาอยากจะได้กัน ไปให้เป็นเหมือนเป็นเอาผ้าคีริวผ้าเศษผ้ามามาติดมาต่อกันสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะสมัยยุคแร ก, แรกตอนที่ไม่มีคนถวายผ้าผ้าผ้าก็เลยต้องไปเก็บเศษผ้าที่มีอยู่ในป่าชาแล้วก็เอามาเย็บมาติดกันมาตัดมาเย็บมาติดกันให้เป็นผืนใหญ่อีกทีหนึ่งต่อมามีศรัทธาคนมากถวายผ้ากันทีนี้ถวายเป็นพับเลย พระนนท์ก็เลยถามว่าจะทำไงดีครับพระพุทธเจาก็บอกก็ตัดกันแล้วก็มามาม า, มาปะกันให ม, ม่มาเย็บติดกันใหม่เหมือนกับทำมันแบบคันนาเห็นขยันคันนาไหมมันออนั่นแหละผ้าของพระก็จะเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะได้ไม่ให้คนที่อยากจะได้ผ้า ดีๆเอาไปใช้เพราะผ้าบางทีอยู่ในป่าต้องตากผ้าแขวนผ้าไว้เดี๋ยวเกิดถ้าเป็นผ้าดีๆก็อาจจะมีขโมยมาขโมยไปขายก็ได้แต่พอเป็นผ้าขาดผ้าบาดแล้วนี้มันก็ไม่มีใครอยากได้นั่นไงะคือปัญญาของพระพุทธเจ้า แล้วอย่างก็จะทำให้พ้าไม่หลงไปกับผ้าไม่งั้นเดี๋ยวแย่งกันต้องเอาผ้าชนิดนั้นชนิดนี้ผ้าไหมผ้ามาจากอิตาลูกอิตาลีอะไรบ้าบอลกันไปใหญ่เอาผ้าบางสกุลผ้าหอ่อศพเดิมทีเขาใช้ผ้าแบบนั้นกันคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่มีความสัมพันธ์กับสามีเพื่อนเขาผิดศีลธรรมโทษของเขาคืออะไรคะ โทษก็เป็นหมาสิเคยเห็นหมาเดินเก้าวไหมหมามันมีศีลธรรม่าข้อ น, นี้เห็นไหมมันเจอลูกใครเมียใครผัวใครมันมันถามก่อนหรือเปล่ามันไม่ถามหรอกมันขึ้นขี่เลยเห็นไหมคําถามสัคุณนิรุธถ้าเลี้ยงไก่สวยงามเพื่อประกวดขายแต่คนที่ซื้อเอาไปชนหรือเอาไปฆ่าเราจะบาปไหมครับไม่หรอก ถ้าเราขายเพื่อไปประกวดแต่เขาไปชนก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากให้เขาชนก็อย่าไปขายกันเปลี่ยนอาชีพใหม่ mm hmm. ก็จะได้หมดปัญหาไปถ้าอาชีพใดที่เราทำแล้วเสี่ยงต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นก็อย่าไปทำดีกว่าทำอาชีพที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหมดแล้วยัง mm hmm. หมดแล้วก็จะได้ปิดการประชมุม